ศีลในความหมายที่เป็นหลักกลางอันพึงถือเป็นหลักความประพฤติพื้นฐานจากความหมายหลักตามปุติพธิตรัสจำกัดความอันเป็นประดุจแกนกลางของการฝึกอบรมขั้นศีลธรรมที่เรียกว่าอธิศีลสิกขานี้ก็กระจายออกไปเป็นข้อปฏิบัติและหลักความประพฤติต่างๆในส่วนรายละเอียด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 คือพิธีชำระตนให้บริสุทธิ์นายจุนทะทูลว่าเขานับถือบัญญัติพิธีชำระตัวตามแบบของพรามชาวปัตฉาภูมิผู้ถือน้ำเต้าสวมพวงมาลัยสาร่ายบูชาไฟถือปฏิบัติการลงน้ำบัญญัติของพรามพวกนี้มีว่าแต่เช้าตรู่ทุกวันเมื่อลุกขึ้นจากที่นอนจะต้องเอามือรูปแผ่นดินถ้าไม่ลูแผ่นดินก็ต้องรูปมูลโคสด หรือรูปหญ้าเขียวหรือบำเรอไฟหรือยกมือไหว้พระอาทิตย์หรือมิฉะนั้นก็ต้องลงน้ำให้ครบสางครั้งในตอนเย็นอย่างใดอย่างหนึง่งเพิ่งสังเกตว่าการถือศีลพพตตาประมาทอย่างเหนียวแน่นแบบนี้มีแพร่หลายในอินเดียแต่โบราณก่อนพุทธกาลจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ลดน้อยลงเลยการล้มล้างความเชื่อถือเหล่านี้เป็นจุดมุ่งที่เด่นชัดที่สุดอย่างหนึง่ง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 อยู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีถูกเข้าอ้างตัวซักถามเป็นพยานว่าเชิญเธอท่านท่านรู้สิ่งใดจงพูดสิ่งนั้นเมื่อไม่รู้เขาก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้ไม่ว่าเพราะเหตุแห่งตนเองหรือเพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรไดๆ 2. องลปิสุนาวาจาเว้นขาจากวาจาส่อเสียดไม่เป็นคนที่ฟังความข้างนี้และเอาไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนฝ่ายนี้หรือฟังความข้างโน้นและเอามาบอกข้างนี้เพื่อทำลายคนฝ่ายโน้นเป็นผู้สมานคนที่แตกร้าวกันส่งเสริมคนที่สมัครสมานกันชอบสามคัคคียินดีในสามัคคี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 เว้นขาจากการพูดเพอเจ้อพูดถูกการพูดคำจริงพูดเป็นอัดพูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยกล่าววาจาเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีกำหนดขอบเขตประกอบด้วยประโยชน์โดยการอันควรขอ้ขอคอโสใจยะทางใจสได้แก่อนาพิชชาไม่คิดจ้องเอาของคนอื่นอัพยาบาท ไม่คิดร้ายใครตั้งใจเมตตาปราถนาดีให้ทุกคนอยู่ดีมีความสุขและสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามครองธรรมสำหรับโใจัยะทางใจสมข้อนี้เป็นความหมายที่ขยายจากองค์มรรคสองข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะในระดับโลกีซึ่งมีคำอธิบายข้างต้นแล้วจึงไม่คัดมาไวในที่นี้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 ละมุสาวาตกล่าวแต่คําสัตย์ทำรงสัจจะซื่อตรงเชื่อถือได้ไม่ลวงโลกมีข้อสังเกตสําคัญในตอนนี้อย่างหนึ่งคือความหมายท่อนขยายขององค์มรคขั้นศีลเหล่านี้แต่และข้อตามปกติแยกได้เป็นข้อละสองตอนตอนตอน้นกล่าวถึงการละเว้นไม่ทำความชั่วตอนหลังกล่าวถึงการทาความดี ที่ตรงข้ามกับความชั่วที่งดเว้นแล้วนั้นพูดสั้นๆว่าตอนต้นใช้คำปฏิเสธตอนหลังใช้คำส่งเสริมหรือมีลบแล้วตามด้วยบวกเรื่องนี้เป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งของคำสอนในพระพุทธศาสนาที่มักใช้คำสอนวควบคู่ทั้งคำปฏิเสธและคำสนับสนุนไปพร้อมๆกันตามหลักเว้นชั่วบาเพ็ญดีเมื่อถือการเว้นชั่วเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว